อาบัติเจ็ด 7. ในหัวข้อเหล่านั้นอาบัติเจ็ดเป็นฉนหนคือ 1. อาบัติปาราชิก 2. อาบัติสังคาทิเศษสอาบัติทุนละใจ 4. อาบัติปาจิตตี 5. อาบัติปาติเทสนิยะ 6. อาบัติทุกกฏ 7. อาบัติทุกพาสิต นี้คืออาบัติเจ็ดอย่าง